เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธาฝ่บุญฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส9กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสบเ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายตั้งใจ มาบำเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลกันเนื่องจากเป็นช่วงเข้าพรรษาเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่จะเร่งความเพียรสร้างบุญสร้างกุศลให้มากยิ่งขึ้นกว่าตามปกติเพราะพวกเรารู้กันว่า เวลาของชีวิตนี้มีคุณค่าอย่างมากและไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของคนเราแต่ละคนนั้นจะหมดไปเมื่อไรถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความอุตสาหะวิริยะมีความภาคเพียรมีฉันทะความยินดี ที่จะรีบสร้างบุญสร้างกุศลเพราะถ้าเราไม่คิดถึงความตายแล้วเราก็จะเกิดความประมาทนอนใจขึ้นมาได้ท่านจึงสอนให้เราเจริญมรณานุสติอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องสงสอนพระอานนท์ให้พิจารณา ความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะรีบเร่งขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับคนที่ได้รับข่าวจากหมอว่า เป็นโรครายมีเวลาเหลืออยู่ไม่เกินหกเดือนพอเขารู้อย่างนี้แล้วเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะเร่งสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาทันทีบางคนถึงกลับไปอยู่วัดเลยไม่รักษาเพราะรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายสู้ไปรักษาใจดีกว่า รักษาใจด้วยบุญด้วยกุศลเพื่อไม่ให้ทุกข์กับความตายนั่นเองถ้ามีบุญมีกุศลแล้วใจจะอยู่เหนือความทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีจะไม่สามารถมากระทบกับใจที่มีบุญมีกุศลได้เลย ดังนั้นเราจึงควรเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าไปคิดว่าเป็นการสาบแช่งตัวเองให้ตายเพราะการเจริญมรรนานุสตินี้ไม่ได้ทําให้ตายช้าหรือตายเร็วคนที่เจริญหรือไม่เจริญนั้นไม่ได้ตายช้าหรือตายเร็วเพราะการเจริญมรรนานุสติที่ตายช้าตายเร็วเพราะ บุญมากหรือบุญน้อยถ้าบุญน้อยเวลาตายก็ตายเร็วตายเขาเรียกว่าสิ้นบุญเวลาคนตายเขามักจะพูดว่าสิ้นบุญเหมือนกับรถที่เติมน้ํามันมาไม่เท่ากันคันไหนถ้าเติมมากกว่าก็วิ่งได้ไกลกว่าคันไหนเติมได้น้อยกว่าคันนั้นก็ไปได้ไม่ไกลกว่าคันที่เติมมาก บุญกุศลนี้ก็เป็นอย่างนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตไขของเรานั้นยาวนานหรือสั้นขึ้นอยู่กับว่าได้สร้างบุญสร้างกุศลมามากน้อยเพียงไรและอยู่อย่างสุขหรืออย่างทุกข์มากน้อยเพียงไรถ้าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไวมากทําบาปไว้มากก็จะมีความทุกข์มาก มีความสุขน้อยถ้าสร้างบุญสร้างกุศลไวมากสร้างบาปสร้างกรรมไวน้อยก็จะมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยดังนั้นในช่วงระยะเวลาสามเดือนของการของของพรรษานี้ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำสิ่งสี่ประการด้วยกัน ทำในสิ่งทำในสี่ประการด้วยกันคือ 1. จะสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่ได้สร้างที่เรายังไม่ได้มีให้เกิดขึ้นสองให้รักษาบุญและกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หดหายไปสให้ละบาปที่เรายังไม่ได้ละ และสให้ป้องกันไม่ให้บาปที่เราได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือเป้าหมายของการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความเพียรในสีกิจนี้เองบุญกุศลที่เรายังไม่ได้สร้างเราก็ควรที่จะสร้างเสีย ถ้าเราเพียงแต่ทำทานเรายัางไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็ควรที่จะเริ่มนั่งสมาธิเริ่มปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเราก็ต้องเริ่มฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอนี่คือความดีที่เรายัางไม่ได้ทำเราก็ต้องรีบทำเสีย ส่วนความดีที่เราได้ทำไว้แล้วเคยทำอยู่แล้วก็รักษาไว้เคยใส่บาตรทุกวันก็รักษาไว้เคยเข้าวัดทุกวันพระก็รักษาไว้เคยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าทุกเย็นก็รักษาไว้อย่าปล่อยปละละเลยอย่าให้ธุรกิจการงานหรือเรื่องราวอย่างอื่นมา มาผักให้เราไปทำผักให้เราไม่ไม่กระทำบุญที่เราได้ทำอยู่เป็นประจำต้องถือว่าเป็นเหมือนกับลมหายใจเข้าออกคนเราขาดลมหายใจเข้าออกไม่ได้ชั้นใดใจก็ขาดบุญขาดกุศลไม่ได้ชั้นนั้นเพราะถ้าขาดบุญขาดกุศลเมื่อไหร่ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีใจจะวุ่นวายใจจะร้อน ใจจะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจใจจะไม่มีกำลังที่จะอยู่ต่อไปนี่แหละก็เท่ากับเหมือนกับคนที่ไม่มีลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจร่างกายก็ไม่มีกำลังที่จะอยู่ต่อไปได้ดังนั้นเราจึงต้องรักษาบุญที่เราได้ทำไว้แล้วนั้นอย่าให้ ผดหายไปเคยใส่บาต ท, ทุกวันก็ใส่เคยมาวัดทุกอาทิตย์ก็มาเคยรักษาศีลเคยนั่งสมาธิเคยสวดมนต์เคยฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอก็ทําต่อไปรักษาต่อไปและควรจะทําให้มันมีมากยิ่งขึ้นไปถ้าเราทําในระดับนี้แล้วยังมีระดับที่สูงกว่า เราก็ต้องทำให้มากขึ้นไปเช่นทานคือการให้เราเคยให้แค่นี้ถ้าเรายังมีเหลืออีกเราก็ให้อีกให้ไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละถึงจะถือว่าให้อย่างเต็มที่เช่นนักบวชนี้เขาให้หมดแล้วครอบครัวสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเขาไม่เอาแล้วเขาเห็นแล้วว่า ถึงแม้มันจะดีถึงแม้จะมีคุณมีประโยชน์แต่มันก็เป็นเหมือนกับเครื่องพันธนาการเป็นห่วงเป็นบ่วงที่จะผูกล่ดจิตใจให้อยู่กับกองทุกต่อไปถ้าต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกก็จะต้องเสียสละละสละสมบัติต่างๆสละบุคคลต่างๆไว้ ไปให้หมดไม่มีความยุติดไม่มีความผูกพัน ite. เพราะความยึดติดความผูกพันนี้แหละที่เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องทุกข์ใจกันที่เราห่วงกันก็เพราะเรามีความผูกพันก mm ัน hmm. คนที่เราไม่ผูกพันนั้นเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราไม่ห่วงเราไม่หวงเราไม่กังวลแต่คนที่เรามีความผูกพันกัน เราจะหวงจะห่วงจะกังวลจะสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุเพราะเราสามารถอยู่ร่วมกันกับคนที่เรามีความผูกพันได้ด้วยการไม่ยึดติดอยู่ด้วยกันได้แต่อย่าไปยึดติดอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปกังวลเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะเป็นอย่างไรเขาดูแลตัวเขาเองได้ ถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ได้ก็ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะทำได้หรือถ้าเขาไม่รู้จักวิธีดูแลตัวเขาก็บอกวิธีสอนเขาได้แต่การดูแลตัวเขาเองนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขาเป็นภาระของเขาเราไม่สามารถที่จะไปดูแลคนทั้งโลกได้ทุกคนจะต้องเป็นที่พึ่งของตนนั่นเองดังนั้นอย่าห่วงเกินฐานะ อย่าห่วงเกินความจำเป็นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีอะไรเราต้องพร้อมที่จะเสียมันไปพร้อมที่จะให้ไปถ้าเรายังมีความจำเป็นต้องอาศัยก็ใช้กันไปอยู่ร่วมกันไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องไป ก็อย่าไปเสียดายอย่าไปหวงเพราะไม่ได้ทำให้เขากลับคืนมานั่นเองมีแต่จะทำให้จิตใจของเราตกต่าเศร้าหมองไม่เบิกบานไม่มีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความยึดติดเวลาสูญเสียไปจะไม่เสียใจกลับดีใจก็ได้เพราะหมดห่วงหมดกังวลไม่ต้องมาคอยดูแลกัน ถ้าเรามองในจิตใจแล้วเราจะเห็นความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการยึดติดในสิ่งต่างๆและเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางสิ่งต่างๆให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาส่วนใหญ่เรามักจะมมองใจของเราเราไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรามีใจที่เราจะต้องคอยดูแลรักษา เราคิดว่ามีร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราดูแลรักษาร่างกายของเราก็พอแล้วก็ดูแลรักษาความอยากของเราเราอยากจะได้อะไรเราก็หามันมาแต่เราไม่รู้ว่าการดูแลรักษาความอยากนี้กลับเป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราสร้างความกังวลสร้างความเศร้าโศกเสียใจ ให้กับใจของเราถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินใด้ฟังพระธรรมคำสอนเราจะไม่รู้เรื่องใจของเราเลยศาสนานี้ถือว่าใจนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดทรงตัดไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่ใจใจเป็นผู้สร้างเหตุและใจเป็นผู้รับผล ใจคิดดีใจก็มีความสุขใจคิดไม่ดีใจก็มีความทุกข์ใจจะคิดดีก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องใจคิดไม่ดีเพราะมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดความเห็นผิดเป็นอย่างไรก็คือเห็นว่ามีตัวมีตนมีเราเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นผิดเพราะมีเพราะเมื่อมีตนแล้วมีของเราแล้ว ก็มีความหวงมีความห่วงมีความยึดติดตามมามีความอยากต่างๆตามมาเมื่อมีความอยากต่างๆตามมาความทุกข์มันก็ตามมาถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง ถ้ามีอย่างนี้ก็จะคิดไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่อยากจะเกี่ยวข้องไม่อยากจะหาความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะมีสิ่งมีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวของเราแล้วนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางนี้เองเพราะเมื่อใจเราปล่อยวางแล้วใจจะสงบ เมื่อสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมานี่แหละคือความสุขที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดที่เหนือความสุขที่เกิดจากความสงบไม่มีมีไม่มีอะไรในโลกนี้ความสุขในโลกนี้ที่จะมีความสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่นั่นเองไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่มีความทุกข์ตามมาเสมอสุขต้นแล้วก็มาทุกข์ปลายนี่คือความสุขทางโลกเช่นตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็มีความสุขเราแสวงหาความสุขได้ด้วยวิธีการต่างๆแต่พอเราเริ่มเข้าสู่ชราภาพร่างกายของเรามันก็ไม่ค่อยไหว จะไปกระโดดโลดเต้นจะไปทำอะไรเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำไม่ไหวและนอกจากนั้นก็ยังมีความเจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆตามส่วนต่างๆของร่างกายก็จะมีแต่ความทุกข์ในบ้านปลายของชีวิตแต่ถ้าเรามาบําเพ็ญบุญกุศลตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว เราจะทุบในตอนต้นแต่เราจะสุขในตอนปลายคือตอนที่เราบาเพ็ญ น, นี้เราจะรู้สึกว่ามันยากลำบากไม่เหมือนกับอยู่บ้านอยู่บ้านนอนกินอย่างสบายไม่เหมือนกับไปเที่ยวพอมาอยู่วัดนี้ต้องใส่ชุดขาวต้องถือศีลแปดดูหนังก็ไม่ได้ฟังเพลงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้มีแต่ให้นั่งสวดมนต์ให้ฟังเทศฟังธรรม ให้เจริญอนิจังทุกขังอนัตตาก็จะรู้สึกมันอึดอัดใจรู้สึกว่ามันยากมันลำบากแต่ถ้าเราฝืนทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปเองเพราะที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่เคยทำเราไม่ถนัดเหมือนกับการที่เราต้องใช้แขนที่เราไม่เคยใช้ ใช้มือที่เราไม่เคยใช้ถ้าเราเคยใช้เราถนัดมือขวาแล้วเราต้องมาใช้มือซ้ายเราจะรู้สึกว่ามันยากลําบากเช่นสมมติว่าแขนขวาเราเกิดพิการไปมือขวาเกิดพิการไปเราก็ไม่สามารถใช้มือขวาได้เราก็ต้องใช้มือซ้ายแทนในเบื้องต้นก็อาจจะรู้สึกลําบากหน่อยเพราะไม่ถนัดไม่เคย แต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะใช้มือซ้ายได้อย่างคล่องแคล่วหรือคนที่ไม่มีมือเลยไม่มีแขนเลยทั้งสองข้างเขายัางใช้เท้าวาดรูปได้และวาดรูปสวยกับคนที่วาดด้วยมือด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความยากลําบากอยู่ที่ว่าเราจะ พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่หรือไม่ฝึกฝนอบรมตนเองให้อยู่กับวิถีชีวิตใหม่หรือไม่ที่มันเป็นเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราพร้อมเช่นเราเห็นว่าวิถีชีวิตเดิมๆของเรานี้มันไม่ได้ทำให้เราพ้นจากความทุกข์พ้นจากความวุ่นวายใจเสียทีถ้าเราเห็นว่าวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้า ของพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายนั้นเป็นวิถีที่ชีวิตที่มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจแล้วเราเกิดฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติก็จะไม่มีอะไร ม, มีอุปสรรคมาขวางเราได้ขอให้เราเห็นคุณประโยชน์ในสิ่งที่เราจะทําเท่านั้นถ้าเราเห็นว่ามันดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะกล้า สละสิ่งที่เราไม่อยู่ไปถ้าเรายังไม่เห็นว่ามันดีกว่าเราก็จะยังเสียดายจะไม่อยากจะสละสิ่งที่เราไม่อยู่ไปดังนั้นวิธีที่จะทาให้เราเห็นคุณค่านั้นในเบื้องต้นก็ต้องเข้าหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ผ่านมาแล้วผู้ที่ได้พบแล้วถึงความเลิศและประเสริฐของวิถีชีวิตของพ่อพุทธเจ้า ไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านท่านจ ะ, สะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนจนไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดจะทำให้เรานั้นเกิดมีฉันทะความยินดีมีวิริยะความขยันที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเนินมาแล้วพอเราได้เริ่มปฏิบัติไปแล้วพอเห็นผลแล้วทีนี้จะไม่ต้องมีใครมาคอย ชักจวนให้เราปฏิบัติเลยเมื่อเห็นผลแล้วครั้งเดียวมันจะสามารถโน้มน้าวจิตใจของเราให้มุ่งไปในทางนี้ได้อย่างเต็มที่เลยดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เห็นผลก็ขอให้เราพยายามทําให้มากๆทําให้ถูกเมื่อทํามากแล้วและทำถูกแล้วรับรองได้ว่าจะต้องเห็นผลอย่างแน่นอน เมื่อเห็นผลแล้วก็จะทําไปได้เรื่อยๆทํามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนทําได้เต็มที่เพราะนี่เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งร้อยได้ดำเนินมาก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์ท่านก็เป็นปุถุชนคนมีเกเลตเหมือนพวกเราแต่ท่านไม่ได้ อยู่แบบเดิมๆไปตลอดท่านคิดขวนขวายหาทางออกจากความทุกข์อยู่เสมอพอคิดไปมากๆก็สามารถเห็นทางออกได้เช่นพระพุทธเจ้าพยายามศึกษากับผู้อื่นเพื่อแสวงหาทางออกจากทุกข์แต่ก็ไม่มีใครสามารถชี้บอกทาง ที่จะทำให้พระองค์หลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างถาวรอย่างมากที่เขาสอนได้ก็คือให้พ้นจากทุกข์เป็นครั้งเป็นคราวไปเช่นขณะที่ทำสมาธิแล้วจิตสงบลงในขณะนั้นความทุกข์ก็หายไปชื่อขณะที่สงบอยู่แต่พอจิตถอนออกจากความสงบแล้ว ความทุกข์ก็จะหวนกลับคืนมาได้อีกถ้าไปคิดตามแนวทางของมิจฉาทิฏฐิไปยึดไปถือไปติดอยู่กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าคิดอย่างนี้แล้วความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีไม่มีใครรู้วิธีที่จะแก้ความคิดนี้ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าไม่มีตัวตน ทุกคนที่เกิดมาก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้นั้นไม่มีใครได้ยินได้ฟังเลยว่าอนัตตาเป็นอย่างไรการไม่มีตัวตนเป็นอย่างไรทุกคนคิดเสมอว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแต่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาดูร่างกาย แล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่อย่างใดเพราะมันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้าลมไฟเท่านั้นมันมาจากธาตุสี่ดินน้าลมไฟแล้วในที่สุดมันก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่แหละคือการจดสัรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ทรงเห็นว่าสัพเพธรรมาอนัตตา ทำทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีตัวตนตัวตนนี้เป็นความเห็นผิดที่เรียกว่าความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลมจากเป็นดอกบัวนี่และคือเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเมื่อมีตัวตนแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นเกิดตันหาความอยากขึ้นมา แล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาทันทีนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพิจารณาอยู่เรื่อยถ้าเราเห็นแล้วว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รวมทั้งร่างกายของเรานั้นเราจะต้องทิ้งมันไปหมดเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่ใช่ตัวเราถ้าเรารู้ก่อนที่เราจะต้องทิ้งมันไป เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเราจะไม่วิตกกังวลกับความเป็นไปของร่างกายหรือความเป็นไปของร่างกายของผู้อื่นหรือสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราจะไม่ยึดไม่ติดเพราะเรารู้ว่าถ้าเรายึดติดเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าเป็นของเราเมื่อไหร่เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีลองเปรียบเทียบดูก็ได้ ของที่เราไม่ไปยึดไปติดไปหลงว่าเป็นของเราเราจะมีความรู้สึกอย่างไรกับของเหล่านั้นเราจะรู้สึกเฉยๆเช่นบ้านของคนอื่นรถของคนอื่นเงินทองของคนอื่นจะเป็นอย่างไรไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราเลยจะหายไปจะหมดไปจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราเลยแต่ถ้าเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราขึ้นมาแล้วมันจะ สร้างความทุกข์ให้กับเราทันทีเพราะฉะนั้นพยายามมองของของเราให้เหมือนกับเรามองของของคนอื่นเพราะมันเป็นเหมือนกันมันเป็นมันไม่ใช่เป็นของใครทั้งสิ้นมันเป็นเพียงดินน้ำมลมไฟที่มารวมตัวกันให้เป็นรูปร่างต่างๆให้เป็นสิ่งต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมาจากธาตุสีนี้ทั้งนั้นแต่เมื่อมีการผสมมีการรวมกันก็จะเป็นปรากฏเป็นสิ่งต่างๆแตกต่างกันออกมาเหมือนกับอาหารหรือขนมที่เราเอามาทำกันเราก็ซื้อมาไม่กี่อย่างแล้วเราก็เอามาทำให้มันมีหลายอย่างมีแกงมีผัดมีของหวานของอะไรต่างๆ มันก็มาจากสิ่งของไม่กี่อย่างนั่นเองเพียงแต่ว่าเมื่อเรามาผสมกันแล้วก็สามารถทําให้มันเป็นสิ่งเป็นอาหารชนิดแตกที่แตกต่างกันออกไปได้มันก็มีอยู่เพียงเท่านี้แหละคือความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราไม่รู้กันก็เพราะหนึ่งเราไม่มีใครสอน2ถ้ามีใครสอนแล้วยังไม่รู้ก็แสดงว่าเราไม่เอาไปพิจารณาต่อ เราไม่เอาไปเตือนตอนต่ออยู่อย่างต่อเนื่องเราได้ยินแล้วเราก็ปล่อยให้มันเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่เก็บเอาไว้ในใจไม่เอาไปคิดต่อเวลาเราเห็นอะไรเราไม่คิดว่านี่ไม่ใช่ของเราเนะเป็นของให้เขาให้เรายืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาถึงเวลาที่เขาจะมาเอาคืนไปถึงเวลาที่เขาจะจากเราไปเราจะไม่ เอดวความทุกข์แต่อย่างใดและในขณะที่เราอยู่กับเขาเราก็จะไม่วุ่นวายใจไปกับเขานี่แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลที่เราต้องพยายามสร้างกันให้ได้ถ้าเรายังไม่มีอยู่ถ้าเรามีแล้วเราก็ต้องรักษามันไว้ให้อยู่กับใจเราไปตลอดเพราะถ้าเราเผลอเมื่มอไหร่ความหลงมันจะเข้ามาแทนที่ทันที ถ้าเราหลงถ้าเราลืมคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราความหลงมันก็จะแทรกเข้ามา ท, าทันทีให้เราคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความหวงเกิดความกังวลขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอให้เราพยายามเจริญปัญญานี้อยู่เรื่อยๆพิจารณายอยู่เรื่อย ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขกับเราก็คือบุญกุศลนี่เองเพราะถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะมีแต่ความสุขเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมีความสุขกันท่านมีความสุขเพราะท่านมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิท่านไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆท่านปล่อยวางได้หมดจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาของพรรษานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการบำเพ็ญกิจทั้งสี่ประการที่ทรงสอนให้บำเพ็ญคือหนึ่ง ให้สร้างบุญกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นให้รักษาบุญกุศลที่มีอยู่แล้วให้คงไว้ให้ละบาปทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในตนให้หมดไปและให้รักษาป้องกันไม่ให้บาปที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะตั้งเป้าหมายไว้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทํา สิ่งทั้งสี่ประการนี้ในพรรษานี้แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นความสุขจะมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ